ทีนี้โสดาปฏิมัคยังออกจากอะไรอีกความทุศีนความทุศีนห้าเนี่ยนะว่า ง, ง่ายๆเลยทุศีห้าเนี่ยเจตนาเป็นเหตุแห่งปานาติบาจะไม่มีอีกต่อไปสำหรับพระโสดาบันเนนะเจตนาที่เป็นเหตุเพื่อจะถือเอาสิ่งของด้วยอธินาทานก็จะไม่มีอีกต่อไปด้วยอำนาจของ โสดาปฏิมักเนี่ยนะเจตนาที่เป็นเหตุให้ล่วงศีลห้าเนี่ยนะเจตนาที่คิดจะล่วงศีลห้าเนี่ยไม่มีเลยสําหรับพระโสดาบันบุคคลนั้นพระโสดาบันนี้ออกโดยส่วน2 ส, สรุปทวนะหนึ่งออกจากสังขานิมิตโดยที่มีนิพานเป็นอารมณ์2 อ, ออกจากอุปาทินกะหรือและอนุปาทินกะอันนี้เขาเรียกว่าออกจากวัตเนี่ยนะ โสดาปฏิมัคเนี่ยที่มีองค์ประกอบเท่าไหร่โพธิปักฉิธรรม37ใช่ไหมอนุภาพเขาเรียกว่าอธิปไตยโถที่กล่าวเมื่อคือนเนี่ยเป็นอย่างนี้เขายิ่งใหญ่จริงๆนะถ้าไม่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้หลีกออกจากสังขารคือขันหมีนิพพานเป็นอารมณ์ไม่ได้ที่จะหลีกออกจากวัตตะเลยไม่ได้ คนที่เจริญวิปัสนาเนี่ยนะเราถ้าเราคิดอีกในหนึ่งน้่เป็นคนคิดมากเหมือนกันนะเขาคิดในภพที่แปดอะนะเพราะว่าโสดาปฏิมากรมันออกจากชาติที่แปดใช่ไหมออกจากมนุษย์ในภพที่แปดแล้วก็ออกจากอบายเนี่ยนะคือมีส่วน ท, ที่ควรให้คิดตั้งเยอะแต่ถ้าว่าโดยรวมๆนะศัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เห็นโทษของการเป็นไปนวัตฏะเลยใช่ไหมอุปาทินนกกับอนุปาทินกนกกัมจะนอนในคันอีกกี่ครั้งก็ช่างมันเถอะก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอก นั่นนะสังขารก็เปลี่ยนไปเรื่อยใช่ไหมมันไม่เที่ยงเอ๊ะทำยังไงให้มันอยู่นานขึ้นมันเป็นทุกข์แม่มันต้องสุงอนะนะ่ะเป็นอานาตตาบอกโอ้เราก็มีอำนาจมันหรอกนะนะก็ก็มันคิดตรงกันข้ามกับพระอริยะหมดเลยพระโสดาบันนี่ไม่ล่วงศีลห้านี่โดยเฉพาะข้อข้ อ, อ, อมุสาเนี่ยนะครับถ้าวจีทุกจริตอย่างอื่นนะครับมีแต่ไม่ไปอบาย ไม่ที่ระอปายะขาม่ดีไม่พระโสดาบันยังพูดคําหยาบอยู่แต่ค้าข้าไหยาบไม่ได้ด่าใครนะพูดด้วยโทสะเมื่อไหร่พูดด้วยความน้อยเนื้อต่ําใจเมื่อไหร่พวกนี้เรียกว่าพุทธสวัจจ า, านะพูดด้วยด้วยโทสะนะมีโทสะเป็นสมุทรฐานนี่นเรียกว่าพุทธสวัจจามั้นพระนาคามีจึงจะละได้สัมผัสปลาปะเพลเจอก็พระรหันเนี่ยจึงจะละได้นั่นนะ แต่ปิสุนาวาจาเนี่ยเดี๋ยวไปคิดดูก่อนแต่ในวิสุทธิมรรคท่านบอกไว้นะคือเรื่องลักษณะเล็กๆน้อยๆนะพูดให้พูดความเลวของคนอื่นเพื่อให้อีกคนหนึ่งรักเราอะไรอย่างเงี้ย น, นะกรมภาริยะชั้นล่างๆยังมีอยู่แต่ว่าภาริยะชั้นสูงไม่มีก็พูดด้วยโทสะที่ไหนที่นั่นเรียกว่าพุดสววาจาหมดเลย ถ้าสกะทาคาเมมัคเกิดก็จะออกจากสังขารในมิตมีนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนกันนะแล้วก็ออกจากอะไรสกะทาคาเมมัคนะออกจากโดยเฉพาะอุปาทินะกะขันเนี่ยเพิ่มขึ้นลดจากการเกิดในคันที่เรียกว่าเจ็ดชาติเนี่ยมาเหลือสกิงอาคาเมเนี่ยนะมาอีกครั้งเดียว น, น, นะก็ฝากคันอีกครั้งเดียวพอละ แต่ถ้าเป็นพระนาคามีก็ไม่ต้องฝากคันอีกต่อไปก็นี่คนของอริยมรรคเป็นอย่างนี้นะ อ, อ, อริยมรรคสรุปว่าวุฒานะคือออกอย่างนี้แหละฉั้นอริยมรรคนั้นอาการที่ปรากฏของเขาคือมีการออกเป็นอาการปรากฏนั่นนะออกโดยส่วนสองนะออกจากสังขานิมิตคือขันห้าแล้วก็ออกจากวัตตะ จริงๆก็คือสิ่งเดียวกันนะ่ะนะตัวอรียมร์กอ่ะนะลักษณะของเขาคือนำออกหน้าที่ของมร์ที่เกิดขึ้นนั้นประหารกิเลสแล้วก็ดูโดยอาการปรากฏของผู้ที่มีมร์ ก, ก็คือออกโดยส่วนสองนั่นแหละอันใครที่ผ่านยานสิบหกนี่ก็แสดงว่าออกได้ตามนี้นะถ้าตามคำทีนะจะออกได้แบบนี้ ผมชูออกได้ยังกลายแล้วแล้วนะสักวันหนึ่งนะจริงๆแหละนั่นนะเพราะเจริญเพื่อออกอยู่แล้วอะ่ะถ้าเจริญแล้วเพื่อจะอยู่ไม่รจะเจริญทําอะไรนะแต่จะเจริญเพื่อออกอยู่แล้วล่ะแต่จะออกเมื่อไหร่อีกเรื่องหนึ่งว่างั้นแต่ตอนนี้สมัครเพื่อออกก่อนนะลงสมัครเป็นนักศึกษาเพื่อออกจากวัฏฏะแล้วว่างั้น โดยลักษณะที่จตุกะนี่ก็คงไม่มีปัญหาใช่ไหมลักษณะกิจอาการที่ปรากฏเนี่ยนะปัจจุประธานน่ะคืออาการที่ปรากฏก็พยายามเอามาคิดดูบ่อยๆนะสำหรับผู้ที่จะแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะปรารถนาเพื่อจะบรร ล, ลุอริยสัจก็ต้องเอาอริยสัจนี่มาคิดให้ให้เยอะๆหน่อยนะถ้าไม่เอาอริยสัจมาคุ่นคิดมาพิจารณาเลยเนะี่ยโอ้เมื่อไหรน่น้อจะบรร ล, ลุอริยสัจได้นะ คิดถึงอริยสัจให้มันเท่ากับคิดถึงปีรูปสารูปกพอแลว้ว่าไงเนี่นออนอออยคือสิ่งเดียวกันแต่ถ้ามองแบบลักษณะก็คือนิยานิกะคือนาออกนิยานิกะแต่ว่าประจุ ป, ประนเนี่ยวุฒฐานะก็คือออกเหมือนกันการนาออกนี่นะฮะหมายความว่า นำออกจากวัตฏะก็หมายความว่าถ้าถึงที่สุดมันเลิกเกิดแล้วไม่มีวัฏตะแล้วถูกไหมครับแต่ว่าต้อค่อยๆออกทีละขั้นก็ออันนี้ต้องออกเนี่ยมันมีออกออกสี่สี่ขั้นนะออกด้วยโสดาปฏิมักออกด้วยสกะทาคามีมักออกด้วยอนาคามมมักแสดงว่าการออกนี่ไม่ใช่ออกง่ายๆนะครับโอ้ไม่ไม่ง่ายหรอกถ้าออกง่ายนะ พระพุทธเจ้ามีองค์เดียวก็พอที่เหลือคนอื่นจะออกตามหมดเลยไม่ต้องบําเพ็ญบารมีให้มีพุทธเจ้าอีกอ อ, กอีก อ, อกต่อไปนะมีองค์เดียวนะที่เหลือชวนคนอื่นออกอย่างเดียวแต่ไม่ใช่เลยพอชวนไประดับหนึ่งขเขาคนก็เลิอกออกศาสนาหมดีก <c> ด <oughs> บําเพ็ญบารมีใหม่อันนี้มาดูอริยมรตัวนี้นนะเนี่ยนะมรตเนี่ยโดยลักษณะลักษณะของมรตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะ ตัวนี้เป็นยานที่นำออกจริงๆนะนะยานิกะเนี่ยนะก็ก็คือยานอ่ะนะตัวยานเนี่ยนิยานิกะก็คือเป็นตัวที่นำออกจากทุกนิยานิกะธรรมอ่ะนะทำเป็นเครื่องออกจากทุกพรานอริยมรคนี้เป็นตัวที่ออกจากทุกอันนี้เป็นลักษณะของอริยมรคส่วนกิจของเขามรคนี้เมื่อเกิดขึ้นเนี่ยทำกิจเลยว่า ตั้งแต่นี้ต่อไปเมื่อมีสังขาร น, นิมิตเนี่ยถ้ามีสังขารเป็นอารมณ์จะไม่เกิดสกายทิถิวิจิกิจชาและศีลพะตะัตะปรา ม, มาตอีกต่อไปในสังขารทั้งหลายด้วยอนุภาพของโสดาปฏิมัคเนี่ยนะเพราะฉะนั้ น, ะนหลังจากที่มีนิพพานเป็นอารมณ์กลับไปมีสังขารเป็นอารมณ์ตอนหลังก็ไม่เกิดสกายทิถิวิจิกิจชาและ ศีลพัฒนาปรามาณอีกเลยอันนี้เป็นเป็นกิจเนี่ยนะว่าอริยมรรคตัวนี้ก็โดยกิจใช่ไหมคือประหารกิเลสสังขารทุกชนิดจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสสามัวสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลพัฒนาปรามาสหรือเนี่ยตัวทํากิจนี่ประหารประหารพวกเนี่ยประหารโลภะทิฏฐิหารวิจิกิจฉาแล้วก็ พวกนี้เป็นกลุ่มจิตเจตสิกใช่ไหมทําจิตตชรูปไหมทำก็ถือว่าออกจากจิตตชรูปเหล่านี้ด้วยทำไมจึงชื่ออุ ป, ปาทินากาแล้วครับอ่าเพราะว่าไม่ได้เกิดจากกรรมและทิฏฐิอุปาทินากาหนี้ อ, อ, อุปาทินากาคือนิยามของเขาก็คือเกิดจากตันหากับทิฏฐิ โดยกรรมเนี่ยมันทําให้ตัณหาที่ถี่มันทําให้กรรมนี่ให้ผลเพราะฉะนั้นคําว่าอุปาทินิกะก็คือเน้นไปที่วิบากและกรมมชโรบอันนี้เข้าใจครับกรมมชโรูปปาทินิกะเราเรานี่แหละมันงั้นเถอะไม่ใช่อุปาทินกะเอางี้นะถ้ารูปเป็นรูปรูปมีสี่สมุธฐานใช่รูปเนี่ยกรรมมชโรปจิตตชโรปอุตตชโรปอาหารชโรปเนี่ยนะตัวนี้อันเดียวที่เป็นอุปาทินิกะ ตัวที่เหลือเป็นอนุปาทินกะหมดในบรรดาจิตเนี่ยนะมีเป็นกุศลชาติอกุศลชาติวิบากชาติกิริยาชาติตัวนี้ตัวเดียวที่เป็นอุปาทินกะที่เหลือเป็นอนุปาทินกะหมดเลยเจ้าแปว่าตังขันมีใจของกับตั้งขันให้มีใจของอนุปาทินกะอันนั้นเขาเรียกว่าพูดแบบภาษาแบบคนไม่เรียนเยอะคนเรียน ไม่ต้องเรียนอะไรมากเข้าใจง่ายดีก็ต้นไม้ใบหญ้าเรียกว่าอนุปาทินกะนะแต่ถ้าเรียนแบบเปลี่ยนเยอะๆไปแล้วเนี่ยนะแม้กระทั่งในร่างกายยังมาแบ่งอีกแบ่งว่าส่วนไหนเป็นอนุปาทินกะอ่าส่วนไหนเป็นอุปาทินนกกะแท้ๆบอกส่วนที่เป็นกรรมมชรูปอย่างเดียวบางแห่งใช้คําว่ากตัตรารูปนี่นะ ส่วนที่เหลือนี่เป็นไม่เป็นอุปาทินกะพวกนี้เป็นอนุปาทินอากะหมดเลยหมายความว่ า, วา <c oughs> ถ้ามองอีกทีนะครับที่บอกว่าไอ้สังขารใดขันใดที่มันเกิดจากกรรมเนี่ยหมายความว่ามันมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องอุปาทานถูกไหมครับมันจึงชื่อ ว, ว่าอุปา ท, านทินกาศเธอมันเกิดจากอุปหรือว่ามันเกิดจากอุปาทาน <c oughs> าอันนี้ไม่ใช่ คืออันนี้เนี่ยมันมันไม่ได้เกิดจากอุปาทินกาคือมลักษณะนี้นะอุปาทินกาคือตัณหาบวกอะไรทิฏฐิตัวนี้มันทำให้กรรมให้ผลอ่ะนะวิบากอันนี้เกิดขึ้นวิบากกกรรมมาชรูปอันนี้เรียกว่าอุปาทินกาใช่แต่ถ้าไม่ได้เกิดจากกรรมลักษณะนี้นะที่เหลือทั้งหมดไม่เรียกว่า อุปาทินนะกะมันจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะจะไม่เรียกว่ามันเป็นอุปาทินนะกะแต่ทีนี้แบบถ้าแบบทั่วๆไปเนี่ยคนมันจะไปอธิบายละเอียดในร่างกายนะแบ่งออกเป็น4 ส, ส่วนอะไรเงี้ยก็เขาจะเอาแต่แบบพูดแบบหยาบๆให้เห็นๆนะอย่างที่คุณบุญมีว่าเมื่อกี้เนี่ยมีใจครองกับไม่มีใจครองเออแปลมเข้าใจง่ายดีแต่ว่าพอเริ่มละเอียดจริงๆเนี่ยจะเขาจะคุยกันระดับนี้แยกกันเป็นสมุทฐานไปเลย เข้า ใ, ใ, ใจตอน อ, อุปาทินกะเข้าใจเล้วรับจนพอไอที่เหลือจากอุปาทินกะทั้งหมดนั่นแหละเป็นอนุปาทินกะหมดก็คุณชูศรีอุปาทินนุปาทานิยาธรรมมาอนุปาทินนุปาทานิยาธรรมมาอนุปาทินนานุปาทานิยาธรรมมาเขาจะมีมีมาติกาบทนี้โดยตรงเลยนะครับ มหมายคําว่าผลผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลของกรรมกรรมตัวนี้ยตันหาทิฐิมันมันมันพามาไอ้ตรงนั้นมันแปลแล้วมันแปลอีกแปลแล้วเข้าใจยากมากแปลอย่างนั้นงงมาอ่านแล้วก็ทําไมมันเข้าใจยากแล้วเกินนั่นทไมเราเป็นพญาอ่อนจริงๆแต่มาบอกว่าองค์ธรรมมันได้แก่วิบากกรรมมรูปมันเกิดจากกรรมกรรมตัวเนี้ยตันหาทิถิมันเป็นตัดใจมันทําให้มันนําเกิดตอนที่ได้ฟังแล้วเข้าใจเลยเนี่ยนะ เราเข้าใจนะแต่ในะคำพีท่านก็พยายามแต่แปลให้มันที่สุดล น, นะแต่ว่าเราก็มันต้องทำบุญด้วยปัญญาเยอะๆ เ, เนี่ยเ<อ>ทศอะไรอย่างนี้เยอะๆนะชาติหน่าฉลาดแน่เลยลองยกตัวอย่างให้ดูองนี้ครับอนุปาทินากาที่ว่ามันไม่ใช่มาจากตานหาฤทิ์ถินเนี่ยนะอาหารชรูปเนี่ยอาหารฉรูปเกิดทำไ ม, ำไมเกิดรูปถูกไหมครับเอาเอาเอาตัว<น>ที่อุปาทินากาเนี่ยนะ พูดตอนปฏิสนธิการาโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาจะเอาปฏิสนธินี่เป็นมาตรฐานในขณะปฏิสนธิเนี่ยนั่นแหละเป็นอุปาทินากะบทสมบูรณ์เ พ, พราะอะไรเพราะประกอบด้วยปฏิสนธิจิตและกรรมชะลกรรมชรังนั้นในขณะปฏิสนธิเนี่ยนะในอุปาทขณะเนี่ยไม่มีไม่มีอานุปาทินากะเลยแต่พอทิฏฐิขณะนี่เริ่มมีอนุปาทินากะแล้ว เพราะว่าปฏิสนธิโดยเฉพาะเนี่ยนะมันจะมีอุปาทะถีติพังคะใช่ไหมรูปเนี่ยมีกําลังจริงๆขณะถิติขณะพันพอเตโชธาปเนี่ยที่อยู่ในถิติขณะของของปฏิสนธิกรรมชรูปอ่ะนะมันทํารูปอีกนะเรียกว่าอุตูชรูปอันนี้เรียกว่ากรร ม, มะปัจญยะอุตูชรูป ไอ้กรรมปัจจะยอุดุชรูปอันเนี้ยอุตูตัวนี้เป็นอนุปาทินกะก็ตรงตรงที่มันเป็นผลของตันหากัธิถิเนี่ยนะที่ที่ตันหากัธิมันมันมีอํานาจอะไรมันมีอํานาจสั่งให้กรรมให้ผลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าจะประหารกรรมนะถ้าจะทําลายกรรมเนี่ยเขาจึงทําลายที่ตันหากับ ทิฐิ <c oughs> ท่าน อ, อย่างพระอรหันต์ที่ท่านกล่าวว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วเนี่ยคำว่าชาติสิ้นแล้วเนี่ยหมายความว่าปฏิสนธิกับกรรมชรูปของท่านที่จะเกิดใหม่ในภพต่อไปของท่านเนี่ยสิ้นแล้วท่านก็บอกว่ารู้ได้ยังไงรู้ว่าเพราะอะกรรมถึงมีอยู่แต่ตันหาที่เป็นต้นเหตุให้กรรมให้ผลเนี่ยสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นกรรมถึงมีอยู่ก็ไม่เกิดใหม่ใน ในพบใหม่นะคือสรุปแล้วในตัวเราเนี่ยมีทั้งอุ ป, ปาทินาการรูปและอาลูก ป, ปาทินาการรูปถูกไหมครับอือย่างง่ายง่า ย, ยางั้นนะตัวกรรมมชโรบทั้งละคืออะไรบ้างต า, ตาหูจมูกกายจมูกหัตถยาล้นชีวิตเพศกายหัทยะชีวิตวิตเพศงั้นนะอันนี้ตรงตรงเลยที่เป็นผลองกรรม เพราะว่าอันนี้ต้องบวกอะไรมหาพูดอยู่แล้วใช่ไหมบวกอะไรอีกสีกลิ่นรสโอชาแต่ว่าตรงๆแล้วมันอย่างนี้ทีนี้พวกนี้มันเป็นโดยเฉพาะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นทวารใช่ไหเป็นทวารแห่งจิต เอ่อเป็นาวาลแห่งจิตเนี่ยนะหรือเป็นประตูแห่งจิตพอประตูแห่งจิตก็เป็นปัจจัยให้จิตเนี่ยเกิดขึ้นจิตที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนหลังๆทาจิตตะชุปไหมทาจิตตะชุบอ่ะจิตตะชูปที่เกิดจากโทสะอย่างหนึ่งจิตตะชุบที่เกิดจากโลภะก็อย่างหนึ่งจิตตะชุบที่เกิดจากโมหะมูลจิตก็อย่างหนึ่งเนี่ยนะ จิตตชรูปที่เกิดจากกุศลก็อย่างหนึ่งเกิดจากอกุศลเอ่ อ, อไปเกิดจากกุศลก็อย่างหนึ่งเกิดจากกิริยาก็อย่างหนึ่งกลุ่มจิตตชรูปทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเป็นอนุปนาทินกะทีนี้ในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันอยู่โดยที่ขาดอาหารชรูปมาเสริมไม่ได้จะต้องมีอาหารชรูปมาเสริมตลอดเวลาอาหารชรูปที่มาเสริมไอ้กรรมชัรูปเหล่านี้ก็เป็น อนุปาทินนกะทีนี้พวกนี้มันมันหมดสภาพมันแปลสภาพไปเนี่ยนะถึงโครงสร้างอยู่ตามเดิมมันนั้นก็เป็นอุตุชรุปที่เหลือก็จะเป็นอุตุชรุปเพราะนั่ะกายเนี่ยมันดำรงอยู่ด้วยสมุทฐานสี่มันมันจะขาดสมุทฐานใดสมุทฐานหนึ่งไม่ได้แต่ตัวที่สําคัญที่สุดคือวิบากและกรรมชะลุปนะตัวอื่นๆไม่ได้สําคัญอะไรต่อการดํารงชีวิตอยู่เลยตรงๆนะเพราะชีวิตจริงๆคือตัวตัวกรรมชรลุป ส่วนอื่นๆนะมันมันจะพร่องเราก็ไม่ค่อยสนใจกับมันใช่ไหยถ้าอ้วนอนแล้วมันลดความอ้วนลงนี่ดีไหมดีใช่ไหมถ้ามันผอมหน่อยถ้าเพิ่มไม่อ้วนขึ้นอีกนิดก็ก็ดีจิตตชรูปเราต้องทำตลอดเวลาไม่เช่นหลับเราก็ไม่ต้องการขยับเขยืดใช่ไหมมันก็ไม่เกิดก็ดีแต่ว่าไอ้กรรมมารุปมันเกิดอยู่ๆแล้วมันเงียบไปสักครึ่งชั่วโมงนี่เป็นยังไงงงเกิดหมายไปนานแล้ว พันอ่าพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยรูปที่เหลือเนี่ยจึงเป็นอนุปาทิ น, นะกะแม้แต่จิตก็เหมือนกันนะวิบากจิตเท่านั้นแหละที่เป็นผลของกรรมจึงจะเป็นอุปาทิ น, นะกะจิตชาติอื่นๆที่เป็นกุศลจิตอกุศลจิตกิริยาจิตนี้ไม่ใช่อุปาทิ น, นะกะเพราะไม่ได้เกิดจากกรรมนิยามของเขาคืออะไรอุปาทิ น, นะกะบอกนิยามเขาคือเกิดจากกรรม การมาจะเอาจบอย่างเดียวเลยเชื่อ ไ, ไม่จบจะเกี่ยกลางวันนี้ยังคุยกับครูบชูนะบอกอย่างนี้มันต้องชีวิตสองชาติมันจึงจะเรียนจบห ม, มายความว่าไม่ต้องเรียนวิชาอื่นนะเรียนแต่เฉพาะผู้าศาสนาเนี่ยอีกสองชาติต่ออายุได้อาจจะแบบคล้ายๆกับว่าตายชาลงเนนะเข้าห้องไอซสวนนูนเติมนี่อะไรเงี้ยอาจจะต่ออายุได้แต่ไม่ได้ต่อปัญญาเท่าไหร่หรอก ตายชาลงนิดหน่อยได้แต่ว่าสติปัญญามันไม่ค่อยเพิ่มเนี่นี่ม่งก็พอดีโยมเ้าถวายหนังสือวยาก์มาเนีย่ยนะมาลังหนึ่งเลยโอ้โหมานั่งอ่านหนึ่งคือคือมันเล่าให้ฟังตรงๆก็คือบอกว่าบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยผู้มีความรู้เขาเรียบเรียงหนังสือมาสองพันกว่าปีอะคิดดู เพราะฉะนั้นคนเก่งทุกยุคทุกสมัยใครก็อยากจะโชว์ผลงานเอาไว้ใช่ไหมอะไรที่มันมีประโยชน์แกคนรุ่นหลังรุ่นหลังท่านก็ทํำผลงานกันไว้เยอะแยะไปหมดเลยนะเด็รุ่นมาหลังๆเรียนไม่ค่อยไหวสติปัญญามันจํากัดแล้วเกินก็เหมือนกันเนี่ยก็ศาสตราจารย์ทั้งหลายแหละเนี่ยพากันเขียนหนังสือเต็มหาลายไปหมดเลยนะอเด็กรุ่นหลานเราของเราเ น, นี่ยมันต้องมาอ่านหนังสือพวกนั้นทั้งหมด หัวโตเลยก็บอกโครงสร้างมนุษย์ยุคหน้านะหัวโตก้นโตเหมนกันที่อื่นเรียบหมดแขงก็ไม่ไดะใช้กดตุ่มอย่างเดียวใช่ไหมนิ้วแขนชาทั้งลูกหลานเรียนจนตายเลยก็นะก็ปูย่าเขียนเอาไว้ให้หลังนะวิชาคำนอย่งเนียวสมัยก่อนนีวิชาคำนวใหม่ๆเกิดขึ้นเท่าไหร่เาไม่รู้เลยใช่ลูกหลานเรียนนตายเลย หลักสูตรพยาบาลของอาจารย์รุ่นอาจารย์เกศสุดาคงหนังสือไม่เท่าไหร่เลยแต่ตอนนี้ <c oughs> แล้วโรคมันเก่งขึ้นอ่ะแต่เอาแบบคุณหมอว่านะก็มันบอกไว้หมดว่าหนึ่งกดปุ่มไหนสองกดปุ่มไหนเออมันก็ง่ายที <c oughs> นี่มาดูโดยลำดับว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงประกาศทุกขาริยาสัตว์ไว้เป็นลําดับแรกใช่ไหมลําดับต่อมาพระองค์ก็ประกาศสมุทริยาสัตว์หลังจากนั้นพระองค์ก็ประกาศนิโรสัตว์ท้ายที่สุดก็ประกาศมรรคสัตว์ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าข้อแรกเหตุผลแรกนะทีท่ประกาศทุกขสัตว์ก่อนเพราะว่าเป็นสัตวจะที่รู้ได้ง่ายเพราะเป็นของหยาบและก็สาธารณแก่สัตว์ ไอ้ที่รู้ง่ายเนี่ยครับคนแก่ความแก่เนี่รู้ง่ายหรือรู้ยากไม่ยากไม่ยากนะไม่ยากอะไรนะกาสวัสดีครับคุณป้าอย่างนี้ยก็ใช่เลยแหละพวกเราตอนเริ่มเข้าวัยชรานะครับพอไปตลาดเขาเรียกป้าสะดุ้งเลยนะครับเฮ้ยนี่เราแก่แน่เราแก่แน่กับมาบ่นกันใหญ่นะก็ออกมาก็เรียก ไม่รู้เอาไงเดี๋ยวก็ลุงพี่เดี๋ยวก็ลุงพ่อเดี๋ยวก็ลุงปู่แล้วมันงแน่นอนนะก็เลยเป็นไ ด, ได้ทั้งหลายอย่างแล้วก็มีบางคนเขาเรียกกันแล้วก็แสดงว่าเป็นเอามั่ง ก, กันนะอ่านชาดกวันนี้เจอนะโอ้โหพระราชาพระ อ, องค์หนึน่งนะครับมีผมงอกอยู่เส้นเดียวนะโอ้โหเรื่องใหญ่มากเลยนะท่านเลยออกบวชเลยนะไปะชมบ้านประชมเมืองออกบวชวันนั้นนหะ งอกด้วยเส้นเดียวนะโอ้เรื่องใหญ่มากเลยอ่ะของเราเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> ออดีมากกันจะไหนไปย้อมใหม่ก็เลยย่างะแต่จริงๆริอะนะนิมิตหมายของชาราเนี่ยเราก็รู้ว่าจริงๆมันรู้ง่ายนะแต่เราก็ไม่ค่อยยอมรับสักทีคือใหม่ๆมันน้อยเส้นก็ถอนก่อนนะ <c oughs> นังน้าเขาถอนไม่ไหว <c oughs> หมด <c oughs> อันนี้รู้ง่ายจริงๆเลยนะชาราเนี่ยรู้ง่ายการนี่มันก็เหยียบไม่เลือกที่เลยหยาบจริงๆเลยนะแล้วใครพ้นบ้างะนะเราสาธารณะอันนี้ก็ชัดเจนนะสัตว์ที่เกิดมาในโลกเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเป็นสาธารณะจริงๆความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นของสาธารณะถ้าบอกว่าป่วยนะเราต้องยอมรับว่านี่คือความปกติของขังขัน แต่ถ้าไม่ป่วยเราต้องคิดว่าเออนี่มันเป็นความผิดปกตินะก็อย่างที่เราเรียนอาทีนะวะสัญญานะที่หมอคมนณบรรยายหมอเขาบอกไม่ร่วมมันอยู่ได้ยังไงก็มั้งนั้นโรคมันมากมายขนาดนี้ <laughs> น่าจะตายกันหมดแล้วนะเพราะแต่มันก็สืบทอดเผ่าพันธุ์ได้ยาวขนาดนี้นะมนุษย์เนี่ยนะ <found ing> มั้งเชื้อโรคเต็มไปหมดเลยเชื้อโรคเต็มไปหมดเลยนะยเอาส่วนไหนมาตรวจแล้วไม่มีเชื้อโรคมั้งโดยที่สุดแม้แต่เลือดใช่ไหมก็ยังมีเชื้อโรคอยู่ในนั้นเลยนะ ถ้าว่าตรงๆนะแบบพุทธเจ้าบอกก็ขันท่ามันตัวโรคล่ะโรคาโต้นะจริงๆเะสาธารณะแก่สัตว์จริงๆเลยแหละนะข้อหนึ่งนะรู้ง่ายแต่เราก็ไม่ค่อยยอมรับรู้อนะจริงๆอ่ะมันรู้ง่ายแต่ว่าสัตว์โดยมากไม่ยอมรับรู้ในความเป็นทุกขสัตว์เนี่ยนะที่ไปทําตัวซะน้าเกลียดหมดเลย ทีนี้ข้อที่สองบอกว่าเพื่ออที่ที่แสดงอนนเราต้องอ่านหนึ่งแล้วสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งขวามือไปต้องอ่านไปลักษณะนี้นะจะบอกว่าข้อแรกก่อนนะทุกขสัตเป็นสจัจจะที่รู้ได้ง่ายเพราะเป็นของหยาบและก็เป็นของสาธารณะแสดงสมุทัยเป็นลําดับต่อมาเพราะเป็นเหตุของอทุกขสัตอันนั้นแหละเนี่ถ้าหากว่า ทุกที่มันหยาบด้วยรู้ง่ายด้วยสาธารณะเนี่ยมันมีเหตุนะแล้วข้อต่อไปบอกว่าเพื่อให้รู้ว่าเพราะดับเหตุผลจึงดับแสดงนิโรธจะเป็นลำดับต่อมาเนี่ยนะแสดงนิโรธจะตามลำดับต่อมาก็เพราะว่าเพื่อให้รู้ว่าเพราะเหตุดับผลจึงดับตรงนี้แหละที่ที่บอกว่าประกาศถึงพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ พุทธศาสนาท่านบอกว่าเยี่ยงเดียงราชสีราชสีเนี่ยนะถ้าเป็นราชสีเนี่ยถ้ามีใครเอาลูกศรมายิงมันนะมันไม่สนใจลูกศรที่ยิงมันหรอกมันไปตปะปบไปที่คนยิงนั่นแหละฉันใดพระพุทธศาสนาก็ลักษณะเดียวกันถ้ากล่าวถึงผลก็ไปดับที่ต้นเหตุไม่เหมือนกับเดรัจฉีทั้งหลายเดยรัจฉีทั้งหลายเนี่ยมันมีผลก็ดับผลเยี่ยงสุนัขเหมือนงงั้นสุนัขเนี่ยถ้าใครโยนกระดูกให้มันวิ่งไปแทะกระดูกอย่างเดียว เดรัทธีก็ลักษณะนั้นพวกผู้ที่ปฏิบัตินะโดยมาวุ่นวายกับวิบากกรรมชรูปแต่งวิบากกรรมชรูปอย่างเดียวฝึกวิบากกรรมชรูปอย่างเดียวกลุ่มนี้แหละกลุ่มเยี่ยงเดรัทธีใช่ไหมเพราะว่ามุ่งไปดับที่ผลนะผู้ศาสนามุ่งดับที่เหตุตอนท่าจะดับก็ต้องดับที่เหตุนะผลจะดับเพราะเพราะเหตุดับแล้วไอการที่จะดับเหตุอันนั้นนะแสดงมักเป็นลําดับสุดท้ายเพราะว่า เพื่อเป็นอุบายในการบรรลุนิโรธ น, นะถ้าไม่มีอุบายดับเหตุไม่ได้หรอกเนนะอันนี้ในในที่หนึ่งนะนัยยะที่หนึ่งส่วนนัยยะที่สองเพื่อให้เกิดความสังเวชแก่พวกสัตว์ผู้ยินดีและปรารถนาความสุขในภพ น, นะเช่นอณนะเกิดชาตินี้มามันอย่างนั้นอย่างนี้ขอสาทุกชาติหน้าขอให้มีอย่างนั้นอย่างนั้น ชาติหน้ามันก็เกิดแก่เจ็บตายอีกอะไรมันจะปรารถนาอะไรก็ปรารถนาความแก่ความเจ็บความตายนั่นแหละจะเป็นอะไรก็ปรารถนาความเจ็บความตายนั่นแหละเพราะฉะนั้นนั่นแหละเรียกว่าเพื่อให้เกิดความสังเวชแก่สัตว์ที่ยินดีแล้วก็ปรารถนาความสุขในภพก็คิดว่าไปถึงที่นั่นแล้วตัวเองจะมีความสุขใช่ไหมนี่ถ้าเกิดชาติใหม่นะคงจะมีความสุขแน่นะผู้ที่กระยิมในผลบุญทั้งหลายเวลาทําบุญนะโอ้โหนี่ถ้าบุญนี้ให้ผลนะมีความสุขแน่เลย นนะบุญให้ผลมาก็เหมือนเราเรานี่แหละนี่ขนาดผลของบุญนะอย่างตานนี้เลยนะอยังเดือดร้อนขนาดนี้นี่ผลของบุญนะแ้่ผลของบาปจะขนาดไหนนี่ของผลของบุญนะอยังกระง้องกระงังง้ ง, งขนาดนี้เนะ <c oughs> ผลบาปแล้วเดือดร้อนกันนี้เยอะเนี่ยนะ <c oughs> ที่แสดงสมุทัยเป็นลําดับต่อมา <c oughs> เพื่อให้รู้ว่าทุกนั้นน่ะถ้าตันหาไม่ได้แต่งขึ้นก็นไม่มี ทุกย่อมมีเพราะเหตุภายนอกมีพระอิศวรบรรดาลก็หาไม่แต่ทุกย่อมมีเพราะเหตุคือตันหาอันนี้ก็ปฏิเสธลัฐที่พระเจ้าว่าทุกเหล่านี้ไม่ได้มีผู้ยิ่งใหญ่ที่ไหนสร้างขึ้นรอกเนะีนะ่ะตันหานี่แหละมันเป็นตัวสร้างเด็กสมัยใหม่ไม่ค่อยฉลาดบอกพ่อแม่นั่นแหละทาให้มันเกิดมาเงนิน